เห็นหมู่เพื่อนมาวัดก็มาวัดแล้วก็มาก็ไม่ได้ทาอะไรมาคุยให้หมูลคาคาญอีกอย่างนั้นไม่ได้นะอมาต้องมาภาวนานะมาฝึกหัดดัดนิสัยนะพวกเราจะดีได้ไมันต้องฝึกหัดดัดนิสัยอไม่ใช่ว่ามาแล้วจะดีเลยเขามาวัดแล้วจะดีเลยไม่ใช่นะอมาถึงวัดแล้วจะดีแล้วไม่ใช่นะเราต้องมาภาวนานะเหมือนกับเราไปอยู่ประเทศที่เขาลํารวยเนะี่ย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 ใส่ชุดเสื้อผ้าเตรียมดอกไม้ถูบเทียนจะถูกปัจจัยไปเพื่อจะทำบุญทำทานไปฟังเทศนนะเหมือนกับพวกเราไปวัดอย่างนั้นอนะ่ะท่นี้ขณะที่ไปนั่งทนี่ไอคนที่ไปนั่งฟังเทศเนี่ยไปนั่งฟังพูดใจมันคล้ายๆว่ามันมันคิดไปหาไอเพื่อนที่ตกปลาเหมือนกันนถะไปหาปลานะ่โอ้ไอไปหาปลามันคงจะได้ปลา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 คนที่หาปลาเหมือนกันเขาก็คิดไปแบบ บ, บาปอกุศลของเขานี่แหละขอให้พวกเราท่านทางหลายให้มาเปรียบเทียบกับพวกเราที่นี่ในเมื่อมาอยู่วัดเข้ามาอยู่วัดจิตใจก็ออกไปนู่นคิดเรื่องหาอยู่หากินหาค่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาพูดในวัดยิงอย่างนั้นตกปลาอย่างนี้ใจเบ็ดอย่างนั้นทาอะไรออกไปนอกรูนอกทาง